อาตม า, เ, า, ม า, าเป็นนียนสองสามสี่พรรษาขยุวัดนี่ถือไปเนเป็ น, ปนพระมาบวชที่นี่สองพันษาอ่าเลยไปไปเทีย่ยวฮอกกามาดบมานแล้ววัดพังเมิ้ดอืมแล้มันไปทางไหนเนี่ยบ้านนี้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของสอนที่พ่อ 24, ปับปุง ปฏิสังขรณ์บรทุกต่างๆในกสิปฏิสังขรส่วนสี่สอมคนผู้สี่พ่อสอบในกสี่อมไทยอยากสอมกันว่าสอมไทยอยากมาสั่งบารมีน้อมกะว่ากันดื่มหูดื่มตากันมาภากัญจังเมือดซับก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยกัต้องท่าตั้งใจใช่ไหมพักอยู่ฉวข้าว กัรตั้งคว่การยูน้ำดลการไว้ตั้งคว่ำคนนี้อีกบันนี้คนนี้วันคือบมาละบ้านเก้าไปสังวัดน้ำดล่ำกยูุดกลางของบ้านเขาทั้งหลายแต่มีเทบ้านอื่นมาสั่งมาทากันอยู่หันอยู่ในป่ามันจะเล่นเนี่ยหันจมเล่นบ้านป่าบ้านบ้านมันพังคือเทวบ้านเกิดเมืองน่านของเจ้าของันเคยอยู่เคยอาศัยมาแล้วสามารถดถึงยอดโยมเขาทั้งหลายกะ มันบรได้เกิดประโยชน์หลายอย่างนี่มีวัดยูกไก่บ้านก็จริงหรอกแต่ว่าคนบางจังหวัดเขาไม่วัดเห็นเทพากลัลยาณนี่ศาสธนานัน่นโบเห็นโบมีมาดินมากินกันอยู่เพราะอไปน่ะผูดึงพอเม่พี่น้องนี่เช้าบ้านก้อนี่หาผู้ที่ตั้งใจมีสิ้นหาชิ้นเ ป, ปียก้ากกว่าบาเคยมี มันก็นา่าสิ่ีบไร่คือว่ามันโมโหจักยังถ้าที่มาอยู่นี่มาเทศกับโบไเทศรักธรรมะให้ฟังจะเทศไปถีไปไ บ, ถนนบถไปเดินไหนโมโหจักบบเทศงก็มาให้จะคข้องเตือไปเจ็บนอื่นโบเศร้าเตือนพ่อออกไม่ออกเข้าโดดบบฟักกันหูุจักยังขึ้ไปขึ้นมาแต่สงสา ร, รคนมีตาอยู่เมือถึงบรหินทงนีง่คนมีหูอยู่ันฟังโบไรยิ่หนีมนกันคึดมีโตนสงสารคืวกัน รักพุทธศาสนาเห้าเนั้นมันบม่ไก่คว่ำจริงที่เราทํากันมั่นไก่ลายฐามันไก่คว่ำจริงเห้าต้องมีความฉลาดคนไก่ธรรมะต้องมีความฉลาดรักพุทธศาสน า, าให้มีความฉลาดสั้งเทตสรต้างทํารักษาศีลเนี่ยต้องมีความฉลาดโอ้จักเพชรดูจักถูกหูจักคนทั้งหรือบรมเณรทั้ทงต้องพรกกันหูจักอืมอันนี้บอกว่ากันหูจักกันอย่างแล้วหมดนี่ลำบากอยู่ เขาตรวจสอบไปไส้กับเสือแต่เขาเขาโกหกยังกิดเสือุตรศีลูพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงดูศีลดูพระพุทธเจ้าเหานี่อบเสือชิงขีบโบข้เสือนข้นโกหกว่อืรเรื่องพุทธม่แต่เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทำบุญชุนท่านทั้งหลายเ่านี้แหละพยายามากโกหกว่าไรมันแจ่งมันชัดอันนี้เห้านี่หอ้ยอยากแล้ว ทำบาปอยู่จนว่าจะตายเข้ามาบุญกันเสื้อเขาอยู่พ ร, ะราะวาเนี่เขามาตัวเอามือมีมือนี่แล้วว่าเขาตั่วมืออื่นมันตัวอีกก็ยังได้อยู่เอ่า ม, มันมืดมันหนาพูดถึงพระัตนาใจคือถึงพระพุทธเป็นขี่พึง่งถึงพระธรรมเป็นขี่พึง่งถึงพระสงฆ์เป็นขี่พึง่งจังที่กระหายบะมีโม่เฮาืมดภาค ก, กัญญานหลาย เป็นยศเจ้ายางเส่นถือเทื่อเวลาฟีฝ่าถือตอนใหม่ผู้เขาถือมงคลเติมขา้าวถือดูอตีเนี่ยแนหนลายคำไปสหรัชสิ่งเขาว่ามีรักปุธศาสนานี่ผีบุมีถ้าเห่าเนั่นว่าจะไปพูไปเขาว่าสันดนถ่วย ม, ม, ม, มันผีพูน้ามารดอืมกระป๋อมว่ยังเนี่ยเอามาให้ผีพูกินควัญเป็นจริงนั่นบ้านสหราชแตนปลาถือตัวเมืองเห่า โบเคยมีไข่มาได้เดี่ที่ไปสอนอยู่ในภูมิไมกับเคยมีวัดไข่มาเดียดี่หรือผีโบมีตัวตัวผีกับชือตัวไข่มาเดียนี่เนี่ยมันเป็นไข่เป็นน้าบ้านเขาไม่มีไข่ด้เดียดี่บ้านเขาไม่ีไข่ม่เดียไปยู่ดวงยู่ปลาบนไหนบนหนึ่งกญาตเนี่ยดูร้านมันญาติได้จนพ่อแม่จนตัวจนหลอกเห็นจนใหม่ใหญ่ๆเหมันผีเั่นเป็นญาติานไง่ายก็ญาต คนใใหญ่ๆ น, นี่เป็นกระยาดนี่กระยาดเมื่าห้ไปหน้าเนี่โยโศกวิญญาณเป็นกระยาดดันโศกผีนี่นกะยาดนี่คือคนหมดปัญญาคนบม่มีปัญญาบ่ฉลาดถึงขนาไลเป็นเหตุให้พ่อเาตั้งหลตัวลูกตัวหลานใหุ้ทื่อผดพีษีสาจ้ารพัดยางเป็นมากนี่เป็นเครองหลงงมงายที่สุดบไก่อพระพุทธโบไก่ทอพระธรรมบไก่ทอพระสงฆ์ ว่ไโดยไตรตรรกพุทธศาสนาไกลกันเหลือเกินไกลกันมากที่สุดอืมนะทาไกลเรื่องพุทธศาสนามันที่ให้ใจคิดใจห้ามันจึนสิ้นจักพุทธศาสนาว่าหุจักพุทธศาสนากระบูกจักรควมจริงการให้ท่านมีผลสำเร็จกระบอกจักการรักษาศีลให้ผลสำเไ็จกระบอกจักการภาวนาให้ผลอย่างไรว่าหุจักรเรื่องภาวนา มันไม่ออกวันก้อเข้ามัิจักภาวนาเนี่ยอืย อ, อ, อ, อ, อ, อยุ่ใกล้ๆเพื่อนเพือนเมื่อเนี่ะก็เอาเพง่อนที่บุพเพดีภาวนาได่ะว่าอะไรรอ ก, กันแต่ภาวนานยัางโบจักมีขนาดมันไกลซื้อ่าเข้านี่ไกลหลายสุมืนไกลหลายอืมมีชะนันตั้งใจมาปรับปรุงพ่อเมีพี่น้องลูกหลานช้าวที่ทั้งหลายที่มาร่วมถึในวัด น, นี่นั้นโดยมากม ส, า ส, า ส, า ส, สึมีค้สาต่างชาตุทิศจีมา บว่าเจเมืองไทยเฮาทุกๆุประเทศสีไ้มาเนี่ฉะนั้นภาคกันตั้งอกตั้งใจภาคกันหลับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อร้อนดอกเฮาหน่อยนึงก็ดีแล้วมาเดียวนีผู้สาผู้แก่ซ้เก่ามอยังไปทางใดบนพื้นาีนี่ให้ภาคกันดีดถ้ำสร้างคุ้นงาอมกัวนี้สี่เป็นประโยชน์แจชิชาสนาะมากระสัดนั่น ลีบพักกันท่านใจเมื่ อ, อยังหน่อยอยังนุม่มยังสิขษาใจมาเทาสักกอนแก่สักอ่อนจังสีรขา ว, วัดเขา ว, ว่าฟั่งเทียดั้งท่ำเดี๋ยวคนแก่ ม, มีประโยชน์จำไรลูกเกินกรโอ้ยนางนมกบโอ้ยชั้นจอาเห็นหมอขาเปียงเจ้าก้อนแบกทอนไม่ยุ่คุณย่างนี้ไม่เ่าคำเป็นทวาบคนนี่เทายังเสียดยังไดมันโมเ็ดโ่ไรหรอกกันาเามัน ต้องพยายามสางคนง่ามคนอิจแนน้อยให้มันนุมค่าการกระท่ำหันให้มันเท่าค่าการกระท่ำมันนี่ประโยชน์กว่าอืมบางคนจนเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดูในสกุลนรกนี่มัตถุของจะของว่ตถูกิจทุอย่างมีวุ่นวยที่จะได้หน้าให้มันแน่นอนอืมไอ้ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องสมตุติของขา้าวเฉาข้าวเท่านั้นแหละแผ่นดินในนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของจ้กคนในประเทศไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็ น, นเรื่องสมุด ทั้งข้าแล้วก็หนีไปหนีไปหนีไปจยกไปทั้ไหลบางคนเนความเยินมันถือมันจนเป็นข่อยเป็นค้อมจนไปขาไปตายกันพอเมียกับบุกกับพิษกันแตกซ้านาโมกันเพาะญาติของถือเป็นของเจ้าของนี่นี่จะลวนจะค้นขาดจากศิลธรรมทั้งนั้นบ่หูจักคุณพอคุณแมีคุณครูว่าอาจารย์บ่หูจักดกจักลานบ่หูจักสีจักหนองบ่หูจักแบงบ่หูจักปันจักสัน ล้วนแกอยู่ในนอกพุทธศาสนาเท่านั้นนะไม่มีทางที่จะเลื่อนโลกนี่จะเลื่อไหร่ศาสนาก็จะเลื่อนมื่ไหร่ตัวเรานี่ก็จะเลื่อบเมื่อืห่ข้เท้ายื่ในโลกยืนนี่บ้านท่องนี่ละข้องเจ็บเข า, าอยู่โลกเข้ายูนนี่คือที่คือแ ค, ค่นกระโล่งมอญเว่นแหวนนี่ ถ้ามีนักวิทยาศาสตร์ถ้าพูดตามความจริงว่าโลกนี่มันเป็นก้อนกลมๆ ค, ค, คือบุกโน่นีะะน่วันนคู่กับเรียนอยู่คู่กับโบรรเืีอเบี่ยนไปตามหลักสูตรจริงๆเพราะว่ามันโมนหิสิทธิ์เทียนาว่าแตาเ่เยน็นทามันเกิดที่นี้ตกทีน่นี้ถ้าพูดตามความจริงแต่เยน็นมันโมนดิตก๊กมันบโมดิขึนโมนดิตก๊กโลกมันหมุนจริงๆอันนี้กับโบเซีอนี่คู่เรียนอยู่คู่กับโบเืีอ ยี่งใจรักสูตรมันบัวเห็นเองนี่คือความู่จักของคนเท่าพาพุนหูจักมาเราให้ฟังกับโบเสือยังไงโบเสืองยางไงมันเสือโบได้ทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป